บุ๊กทห้าสิบอดอการไปทำธุระติฉันอยากไปห้องสมุดี่ฉันอยากไปร้านขายหนังสือ ที่ฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ขอชูโดตราฟิที่ฉันอยากยืมหนังสื อ, อยาขอชู da อิมคที่ฉันอยากซื้อหนังสื อ, อยาขอชู da ku ปิมค ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ยดดมอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสืออยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ ดะคูปิมหนังสดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมยาฮอชูโดทราฟิกเก้ดะคูปิมนอวินเน่ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาย ho chu d o อปติชาระดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ต อยากเข้าชูโดซูปอร์มารตดิฉันอยากไปร้านขายขนมปังยา h เข้าดป็กกาดิฉันอยากซื้อแว่นตายากเข้าชููบิมนาอัชลดิฉันอยากซื้อผลไม้และผักยาดูิมวช ดิฉันอยากซื้อขนมปังยา хочу да купим кайзерице и хлеб ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตายา хочу до оптичара да купим наочале ดิฉันอยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก ฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปังฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง